สองประวัติวานหนึ่งอุปาทวาน 1. ปัจจุปันาวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันอนุโลมบุคคล27อนุโลมปุจฉาทุกกรัสั์ของบุคคลใดกำลังเกิดสมุทัยสั์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมพิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัตในอุปาทขณะแห่งจิต ที่วิปยุตจากตันหาในประวัติการทุกขสัตว์ ข, ของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่สมุทรยศไม่ใช่กาําลังเกิดในอุปาทขณะแห่งตันหาทุกขสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและส ม, มุทรยศก็กําลังเกิดปฏิโลมปุชชาสมุทรยศของบุคคลใดกําลังเกิดทุกขสัตว์ของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะใช่ อนุโลมปุจฉาทุกขสัตว์ของบุคคลใดกําลังเกิดมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากมรรคในประวัติการทุกขสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่มรรคสัตว์ไม่ใช่กําลังเกิดในปัญจโการาภูมิในอุปาทขณะแห่งมรรคทุกขสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและมรรคก็กําลังเกิด ปิโลมปุชฌามัคคสัตของบุคคลใดกำลังเกิดทุคสัตของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาในรูปประภูมิในอุปาทขณะแห่งมัคมัคคสัตของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่ทุคสัตไม่ใช่กำลังเกิดในปัญจโวการภูมิในอุปาทขณะแห่งมัคมัคคสัตของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและทุคสัตก็กำลังเกิด28อนุโลมปุชฌา สมุธยสัตว์ของบุคคลใดกำลังเกิดมรรคสัตย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉามรรคสัตว์ของบุคคลใดกำลังเกิดสมุทธยสัตว์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาไม่ใช่อนุโลมโอกาส29อนุโลมปุจฉาทุกขสัตย์ในภูมิใดกำลังเกิดสมุธยสัตว์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนา ในยสัญญา variety, ah emperor, <Aye. S 1> สัตตภูมิในภูมินั้นทุกขสัตว์กําลังเกิดแต่สมุทัยสัตว์ไม่ใช่กําลังเกิดในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิในภูมินั้นทุกขสัตว์กําลังเกิดและสมุทัยสัตว์ก็กําลังเกิดปฏิโลมปุชชาสมุทัยสัตว์ในภูมิใดกําลังเกิดทุกขสัตว์ในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมพิจฉนาใช่ อนุโลมปุจฉาทุกขสัตว์ในภูมิใดกําลังเกิดมัคสัตว์ในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในอบายภูมิและอสัญญาสัตตภูมิในภูมินั้นทุกขสัตว์กำลังเกิดแต่มัคสัตว์ไม่ใช่กําลังเกิดในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิที a, ่เหลือในภูมินั้น ouais. ทุกขสัตว์กำลังเกิดและมัคสัตว์ก็กําลังเกิดปฏิโลมปุจฉามัคสัตว์ในภูมิใดกําลังเกิด ทุกขัตว์ในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่30อนุโลมปุชชาสมุททิยสัตว์ในภูมิใดกําลังเกิดมรรคสัตว์ในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอบายภูมิในภูมินั้นสมุททิยสัตว์กำลังเกิดแต่มรรคสัตย์ไม่ใช่กําลังเกิดในจตุโวการภูมิและปัญจวโวการภูมิที่เหลือ ในภูมินั้นสมุทัยสัตว์กําลังเกิดได้มัคสัตว์ก็กําลังเกิดปฏิโลมปุชฌามัคสัตว์ในภูมิใดกําลังเกิดสมุทัยสัตว์ในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุขคโรกาตสาอนุโลมปุชฌาทุกขสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมละ ในมึงเล็บคำที่ท่านกำหนดว่าของบุคคลใดและของบุคคลใดในปมิใดพึงขยายให้พิสดารเหมือนกันปัจจนีกับบุคคล 32. อนุโลมปุจฉาทุกขัสัต์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดสมุทิยสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสมุทิยสัตว์ของบุคคลใดไม่ใช่กาลังเกิด ทุกขสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมพิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากตัณหาในประวัติการสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ทุกขสัตว์มิใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติในพังคะขณะแห่งจิตในประวัติการในอุปาทขณะแห่งมรรคและผลในอรูปประภูมิ สมุทัยสัสตว์ของบุคคลเนั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ทุกขสัตย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาทุกขสัตย์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดมรรคสัตย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขศนาแห่งมรรคในอรูปประภูมิทุกขสัตย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มรรคสัตย์มิใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติ ในพังคัศนาแห่งจิตในประวัติการในอุปาทขศนาแห่งผลในอรูปประภูมิทุกขัสส์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดดัมมคขัสส์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉามัคขัสส์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดทุกขัสส์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติในอุปาทขศนาแห่งจิตที่วิประยุจจากมัคในประวัติการ มัคคสัตต์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ทุคสัตต์มีใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติในพังขะขณะแห่งจิตในประวัติการในอุปาทขณะแห่งผลในอรูปประภูมิมัคคสัตต์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและทุกขสัตต์ก็ไม่ใช right. ่กำลังเกิดสาอนุโลมปุจฉาสมุทยสัตต์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดมัคคสัตต์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหม วิจัชนาในอุปาทคณาแห่งมรสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่มรคสัตย์มิใช่ไม <mm ่กําลังเกิดในพังคขณาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณาแห่งจิตที่วิปยุตจากตันหาและที่วิปยุตจากมรบุคคลผู้เข้านิโรธาสมาบัตและบุคคลผู้บัตอยู่ในสัญยสัตตภูมิสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่มรคสัตย์ก็ไม่ใช่กําลังเกิด ปฏิโรมปุจฉามัคคัศตรของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใ um> ช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขคณะแห่งตัณหามัคคัศตรของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่สมุทัยสัตว์มีใช่ไม่กําลังเกิดในพังทัคณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทัคณะแห่งจิตที่วิปยุตจากมรรคและที่วิปยุตจากตัณหา บุคคลผู้เข้านิโรธทศมาบัตและบุคคลผู้บัตอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิมัคคสัตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสมุทรยัสสัตก็ไม่ใช่กำลังเกิดปัจจณีกโอกาตสามอนุโลมปุจฉาทุกสัต์ในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสมุทรยัสสัตในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่มีไหมวิจัรนาไม่มี ปฏิโรมปุจฉาสมุทรย์ในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดทุกขสัตว์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนากำลังเกิดอนุโลมปุจฉาทุกข์สัตว์ในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดมรรคสัต์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโรมปุจฉามรรคสัตว์ในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดทุกข์สัตว์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนากำลังเกิด 35. อนุโลมปุจฉาสมุทัยสัตว์ในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดมรรคสัตว์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามรรคสัตว์ในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดสมุทัยสัตว์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนานัยบายภูมิในภูมินั้นมรรคสัตว์ไม่ใช่กําลังเกิดแต่สมุทัยสัตว์ ano, Rim Thailand ไ, ม ไ, ไม่ใช่ไม่กําลังเกิด <F usion> ในอาจารยา์ยศตภูมิในภูมินั้นมขสัตต์ไม่ใช่กำลังเกิดและสมุทัยสัตว์ก็ไม่ใช่กําลังเกิดปัจจณีกับบุคโลกาต36อนุโลมปุจฉาทุกขสัตต์ของบุคคนใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนาใช่ปฏิโลมปุจฉา สมุธยสั์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดทุกขสั์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิทัศนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติในอุปาทัศนาแห่งจิตที่วิปรยุติจากตันหาในประวัติการสมุทธยสัต์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ทุกขสัจมิใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติในพังทขศนาแห่งจิตในประวัติการ ในอุปาทขศนาแห่งมรรคและผลในอรูปประภูมิสมุทัยสัตว์ของบุคคนเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและทุกขสัตว์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุลมปุจฉาทุกขสัตว์ของบุ้คลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดมรรสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขศนาแห่งมรรคแนวรูปประภูมิทุกขสัตว์ของบุคคนเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิด แต่มกษัตริย์ไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติในพังคาขณะแห่งจิตในประวัติการในอุปาทัศขณะแห่งผลในอรูปภูมิทุกขสัตว์ของบุคนคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมกษัตริย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิโลมปุชชามกษัตริย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดทุกข์สัตว์ของบุคนคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหม วิจัชนาะบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากมรรคในประวัติการมรรคสัตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ทุกขสัตมิใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการในอุปาทขณะแห่งผลในอรูปภูมิมรรคสัตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและทุกขสัตก็ไม่ใช่กําลังเกิด 37อนุโลมปุตชาสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในอุปาทัคณะแห่งมรรคสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในปูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มรรคสัตว์มิใช่ไม่กำลังเกิดในพังคัคณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขคณะแห่งจิตที่วิปยุตจากตัณหาและที่วิปยุตจากมรรค บุคคลผู้เข้านิโรธทัศมาบัตและบุคคลผู้บัตอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิสมุทัยสัต์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมรรคสัตก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิรมปุจฉามรรคสัตของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสมุทัยสัตต์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจฉนา ในอุปาทัศนาแห่งตัณหามัคคสัตต์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่สมุทัยสัตต์มิใช่ไม่กําลังเกิดในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทัศนาแห่งจิตที่วิปยุตจากมรรคและที่วิปยุตจากตัณหาบุคคลผู้เข้าในโรธะสมาบัตและบุคคลผู้บัตรอยู่ในอาจารยสัจตภูมิมัคคสัตต์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและสมุทัยสัตต์ก็ไม่ใช่กําลังเกิด ส อ, อตีตวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีตอนุโลมบุคคล38อนุโลมปุจฉาทุกขจัตของบุคคลใดเคยเกิดจมุทธิจัตของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะใช่ปฏิโลมปุจฉาจมุทธิจัตของบุคคลใดเคยเกิดทุกขจัตของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะใช่ อนุโลมปุจฉาทุกขัสตร์ของบุคคลใดเคยเกิดมรรคสัตย์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุทุกขัสตร์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่มรรคสัตย์ไม่เคยเกิดบุคคลผู้ได้บรรลุทุกขัสตร์ของบุคคลเหล่านั้นก็เคยเกิดและมรรคสัตย์ก็เคยเกิดปฏิโลมปุจฉามรรคสัตย์ของบุคคลใดเคยเกิดละวิจัชนา ใช่สาอนุโลมปุจฉาสมุทัยส really ัตว okay. ์ของบุคคลใดเคยเกิดมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจาชนาบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่มรรคสัตว์ไม่เคยเกิดบุคคลผู้ได้บรรลุสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและมรรคสัตว์ก็เคยเกิดปฏิโลมปุจฉามรรคสัตว์ของบุคคลใดเคยเกิดละวิจารนาใช่ อนุโลม์โอกาดสี่อนุโลม์ปุจฉาทุกขสัตว์ในภูมิใดเคยเกิดละในวงเล็บคําที่ท่านกําหนดว่าในภูมิใดเหมือนกันทุกแห่งข้อแตกต่างการเหมือนกับที่กล่าวมาแล้วว่าในภูมิใดในหนหลังอนุโลมปุขคะโอกาส41อนุโลม์ปุจฉา ทุกขสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัรนาบุคคลผู้บัตอยู่ในสุทาวาตภูมิเมื่อจิตดวงที่สองเป็นไปอยู่บุคคลผู้บัตอยู่ในอสัารยา์ยศตภูมิทุกขสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่สมุทัยสัตว์ไม่เคยเกิด บุคคลนอกนี้ผู้บัตดอยู่ในจตุวการภูมิและปัญจโวการภูมิทุกขัสัจของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและสมุทัยสั์ก็เคยเกิดปฏิโดมปุจฉาสมุทัยสัต์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดและวิจัตชนาะใช่อนุโลมปุจฉาทุกขัสั์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดมรรคสัจของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัตชนาะ เมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้บัตรอยู่ในสุทาวาตภูมิเป็นไปอยู่บุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุและบุคคลผู้บัตรอยู่ในอสัญญัตตภูมิทุกขัสส์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่มรรคสัตว์ไม่เคยเกิดบุคคลผู้ได้บรรลุทุกขัสส์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดได้มรรคสัตว์ก็เคยเกิดปฏิโลมปุจฉามรรคสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดละวิัชนาะใช่ 4ี่อนุโลมปุจฉาสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้บัตยู่ในสุทาวาสภูมิเป็นไปอยู่บุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่มรรคสัตว์ไม่เคยเกิดบุคคลผู้ได้บรรลุ สมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและมรรคสัตว์ก็เคยเกิดปฏิโรมปุจฉามรรคสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดละวิจชะนาใช่ปัจจนีกับบุคคล43อนุโลมปุจฉาทุกตสัตว์ของบุคคลใดไม่เคยเกิดสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจชนาไม่มีปฏิโรมปุจฉา สมุทย bands, men, <the> ัยสัตว์ของบุคคลใดไม่เคยเกิดละวิจัชนาไม่มีอนุลมปุตฉาทุกขัสัตย์ของบุคคลใดไม่เคยเกิดมรรคสัตย์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุตฉามรรคสัตย์ของบุคคลใดไม่เคยเกิดทุกขัสัตย์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเคยเกิด 44. อนุลมปุตฉา สมุทัยสัตว์ของบุคคลใดไม่เคยเกิดมัคคสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉามัคคสัตว์ของบุคคลใดไม่เคยเกิดสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเคยเกิดปัจจณีกับโอกาส45อนุโลมปุจฉาทุกขสัตว์ในภูมิใดไม่เคยเกิดละปัจจณีกับบุคคโอกาส ส6อนุโลมปุจฉาทุกขัสัจของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสมุทัยสัจของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสมุทัยสัจของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดทุกขัสัจของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้บัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิเมื่อจิตดวงที่สองเป็นไปอยู่และบุค คนผู้บัตรอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิสมุทัยจัตดของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่ทุกขจัดมิใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัตรอยู่ในสุทาวาสภูมิสมุทัยจัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและทุกขจั์ก็ไม่เคยเกิดอนุโลมปุจฉาทุกขจั์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดมรรคจัต์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนา ใช่ปฏิโลมปุจฉามกขศัตร์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดทุกขศัตร์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะเมื่อจิต ด, ดวงที่สองของบุคคลผู้บัดอยู่ในสุทาวาตภูมิเป็นไปอยู่บุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุและบุคคลผู้บัดอยู่ในอสัญญัตตภูมิมกขศัตร์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่ทุกขศัตร์มีใช่ไม่เคยเกิด บุคคลผู้กําลังอุบัติในสุทาวาตภูมิมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและทุกขัสัตว์ก็ไม่เคยเกิด47อนุโลมปุจฉาสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิตัชชาใช่ปฏิโลมปุจฉามรรคสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิด สมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหม้วิจัชนาเมื่ออกุศสรจิตดวงที่สองของบุคคลผู้บัติอยู่ในสุทาวาตภูมิเป็นไปอยู่บุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุมัคคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่สมุทยสัตว์มิใช่ไม่เคยเกิดเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้บัติอยู่ในสุทาวาตภูมิเป็นไปอยู่บุคคลผู้บัตรอยู่ในอสัญยัตตภูมิ มรรคสัจของบุคคลเหล่านั้นในปุ่มนั้นไม่เคยเกิดและสมุทยัยสั์ก็ไม่เคยเกิด 3. อนาคตาวานป่าด้สภาวธรรมที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคล 4.8 อนุโลมปุจฉาทุกขสั์ของบุคคลใดจะเกิดสมุทยัยสั์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตะมักอรหันตบุคคล บุคคลจะได้อรหัตมรรคในลำดับแห่งจิต ь. ในมุงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นทุกขศาสตร์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่สมุทัยศัสตร์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ทุกขศาสตร์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและสมุทัยศัสตร์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาสมุทัยศัสตร์ของบุคคลใด จ, จะเกิดละพิจฉนาะใช่อนุโลมปุจฉา ทุกข kind of ัสสของบุคคลใดจะเกิดมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิถัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมรรคอรหันตะบุคคลและบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรรคทุกขัสสะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่มรรคสัตว์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลจักได้มรรคในลำดับแห่งจิตในมุงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นและบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มรรคทุกขัสสะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและมรรคสัตว์ ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉามัคคสัตของบุคคลใดจะเกิดละวิจัชนาใช่49อนุโลมปุจฉาสมุทัยสัต์ของบุคคลใดจะเกิดมัคคสัตของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้เป็นปุถุชนทั้งจักไม่ได้มักสมุทัยสัต์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่มัคคสัตไม่ใช่จะเกิด บุคคลผู้จากได้มรติสมุทัยสัตจของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและมรรคสัจก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉามรรคสัจของบุคคลใดจะเกิดสมุทัยสัจของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจาชนาบุคคลจากไดอรหัตตมรในลำดับแห่งจิตในมงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นมรรคสัจของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่สมุทัยส e ัตว์ไม่ใช่จะเกิด บุคคลล่าอื่นพูดจักได้ ม, มรรคมรรคสัตย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและสมุทยัยสัตว์ก็จะเกิดอนุโลมโอกาส50อนุโลมปุจฉาทุกขัตริย์ของบุคคลใดจะเกิดละอนุโลมปุกคโลกาดาส51อนุโลมปุจฉาทุกขัตรตว์ของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดสมุทยัยสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจชนะนา บุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตตะมักอรหันตะบุคคลบุคคลจะได้อรหัตตะมักในลำดับแห่งจิตในมุงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้บัดอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิทุกขจัตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่สมุทัยจัต์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัดอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิทุกขจัตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและสมุทัยจัต์ก็จะเกิด ปฏิโรมปุจฉาสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดละวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาทุกขสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยอรหัตตะมักอรหันตบุคคลบุคคลผู้เป็นปุถุชนซั่งจักไม่ได้มักบุคคลผู้บัดอยู่ในบายภูมิและอสัญญาตภูมิ ทุกขัสตถ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่มรรคสัตต์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลจักได้อาราตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในมือเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นและบุคคลเราอื่นผู้จักได้มรรคทุกขัตัตถ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและมรรคสัตต์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉามรรคสัตต์ของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดทุกขัตัตถ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจฉนาใช่ ห้าสิบสองอนุโลมปุจฉาสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้บัตยู่ในอบายภูมิและบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรรคสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่มรรคสัตว์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้จักได้มรรคสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและมรรคสัตว์ก็จะเกิด อนุโลมปุจฉามารกษัตริย์ของบุคคลใดในภ e. ูมนะิใด ouais. จะเก yeah. ิดแต่บุธยศติยศของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลจากไดอาราตมักในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นมารกษัตริย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่สมุธยศติยศไม่ใช่จะเกิดบุคคลเหล่าอื่นผู้จากได้มักมารกษัตริย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและสมุธยศติยศก็จะเกิดปัจจนีกับบุคคล 53าสิบสมอนุลมุขฉาทุกขัสัจของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดสมุทัยสัจของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนะาใช่ปฏิโลมปุจฉาสมุทัยสัจของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดทุกขัสัจของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตะมักอรหันตะบุคคลบุคคลจักได้อรหัตตะมักในลำดับแห่งจิตใจ ในลำดับเพีงจิตนั้นสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ทุกขสัตว์มิใช่จะไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิ ม, มจิตสมุทัยสัตว์ของบุคค ล, ลนั้นไม่ใช่จะเกิดและทุกขสัตว์ก็ไม่ใช่จะเกิดอนุโลมปุจฉาทุกขสัตว์ของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจารนาใช่ปฏิโลมปุจฉา มัคคสัตต์ของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดทุคสัตต์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตตะมักอรหันตบุคคลและบุคคลผู้เป็นปุถุชนตึ้งจักไม่ได้มัคมัคคสัตต์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ทุคสัตต์ไม่ใช่จะไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจจิมจิตมัคคสัตต์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและทุคสัตต์ก็ไม่ใช uh ่จะเกิด 5้าิสี่อนุโลมปุจฉาสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลจักได้อรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่มรรคสัตว์มิใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคและอรหันตบุคคล สมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่มรรคสัตว์ก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุชชามรรคสัตว์ของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้เป็นปุถุชนตึงจักไม่ได้มรรคมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่สมุทัยสัตว์ไม่ใช่จะไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมรรคและอรหันตะบุคคล มรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและสมุทัยสัตว์ก็ไม่ใช่จะเกิดปัจจณีกัโอกาส 5.5 อนุโลมปุจฉาทุกขสัตรว์ในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดและปัจจณีกับปุขคโลกาตห้สิบอนุโลมปุจฉาทุกขสัตรว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหม วิจัชนาะใช่ปฏิโดมปุจฉาสมุทัยาาสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดทุกข์สัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตะมักอรหันตะบุคคลบุคคลจกได้อรหัตตะมักในลำดับแห่งจิตใดในมุลเล็บในลำดับแห่งจิตนั้น และบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาศันยศาสตรภูมิสมุทรยศัสตร์ของบุคคลเหล่านั้นในภูม in kind of ินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ทุกขศาสตร์มิใช่จะไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเปลียงด้วยปัจฉิมมจิตสมุทรยศัตร์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและทุกขศาสตร์ก็มิใช่จะเกิดอนุโลมปุจฉาทุกขศาสตร์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดมัคตศาสต์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ ปฏิโรมปุจฉามัคคสัตย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดทุกขสัตย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตะมักอรหันตะบุคคลบุคคลผู้เป็นปุถุชนทั้งจักไม่ได้มักบุคคลผู้บัดอยู่ในอบายภูมิและอสัญญาตภูมิมัคคสัตย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ทุกขสัตย์มิใช่จักไม่เกิด บุคคลผู้พร้อมพเพรียงด้วยปัจฉิมจิตมรรคสัตว์ของบุคคลเลนั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและทุคสัตว์ก็ไม่ใช่จะเกิด 57. อนุโลมปุจฉาสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลจะได้อาราตมคในลำดับแห่งจิตใดในมึงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้น สมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่มรรสัตว์มิใช่จกไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตตะมักอรหันตะบุคคลและบุคคลผู้บัติอยู่ในอรหัญยสัตตภูมิสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและมรรสัตว์ก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจฉามรรสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิตัชนา บุคคลผู้บาดอยู่ในอบายภูมิและบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มักมักขสตัตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่สมุทยัยสัตว์มิใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตมักอรหันตบุคคลและบุคคลผู้บาดอยู่ในสัญญาสัตตภูมิมักขสัต์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและสมุทยัยสัตว์ก็ไม่ใช่จะเกิด 4. ปัจจุปันนาตีตะวนัน ว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอดีตอนุโลมบุคคล 5.8 อนุโลมปุจฉาทุกขจัตของบุคคลใดกำลังเกิดสมุทัยจั์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจาชนาะใช่ปฏิโลมปุจฉาสมุทัยจัตของบุคคลใดเคยเกิดทุกขจั์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจาชนาะ บุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติในพังทคขณะแห่งจิตในประวัติการและในอุปาทคขณะแห่งมรรคและผลในอรูปปภูมิสมุทัยจั์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่ทุกขจั์ไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติในอุปาทคขณะแห่งจิตในประวัติการสมุทัยจั์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและทุกขจั์ก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉา ทุกขจัตของบุคคลใดกําลังเกิดมรรคจัตของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมพิจารณาบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุซึ่งกําลังอุบัติในอุปาทขศนาแห่งจิตในประวัติการทุกขจัตของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่มรรคจัตไม่เคยเกิดบุคคลผู้ได้บรรลุซึ่งกําลังอุบัติในอุปาทขศนาแห่งจิตในประวัติการทุกขจัตของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและมรรคจัตก็เคยเกิด ปฏิโลมปุจฉัลมัคคสัต์ของบุคคลใดเคยเกิดทุคสัต์ของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจาชนาบุคคลผู้ได้บรรลุซึ่งกําลังจุติในพังคักขณะแห่งจิตในประวัติการและในอุปปาทขณะแห่งมัคและผลในอรูปประภูมิมัคคสัต์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่ทุคสัต์ไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้ได้บรรลุซึ่งกําลังอุบัติ ในยุปาทัศนาแห่งจิตในประวัติการมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและทุคสัตว์ก็กำลังเกิด 5.9 อนุโลมปุจฉาสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดกำลังเกิดมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมพิจัดชนาในอุปาทขศนาแห่งตัณหาของบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่มรรคสัตว์ไม่เคยเกิด ในอุปาทัศนาแห่งตันหาของบุคคลผู้ได้บรรลุสมุทยัยสั์ของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดในมกษัตริย์ก็เคยเกิดปฏิโลมปุจฉามรรคสัจของบุคคลใดเคยเกิดสมุทัยสัต์ของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัรนาะในพังคัศนาแห่งตันหาของบุคคลผู้ได้บรรลุเมื่อจิตที่วิปยุจจากตันหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้เข้านิโรธสศมาบัตรมตรรคสัจของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิด แต่สมุทยรยศจั์ไม่ใช่กําลังเกิดในอุปาทขศนาแห่งตันหาของบุคคลผู้ได้บรรลุมรรคจัต์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและสมุทยรยศตัดก็กําลังเกิดอนุโลมโอกาส60อนุโลมปุจฉาทุกขจั์ในภูมิใดกําลังเกิดละในวงเล็บคําที่ท่านกําหนดว่าในภูมิใดเหมือนกันทั้งหมดอนุโลมปุขคะโอกาส61 อนุโลมปุจฉาทุกกระตัดของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดสมุทัยจัดของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะในอุปาทขศนาแห่งอุ ป, ปัติจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทาวาตภูมิบุคคลผู้กําลังอุบัติในอจัญยจัตตภูมิทุกกระตัดของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่สมุทัยจัดไม่เคยเกิด บุคคลนอกนี้ผู้กําลังอุบัติในจตุวการภูมิและปัญจโวการภูมิในอุปาทัศนาแห่งจิตในประวัติการทุกขจัตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและสมุทัยจัตว์ก็เคยเกิดปฏิโลมปุจฉาสมุทัยจัตวของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดทุกขจัตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจารณา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 ในอุปาทขศนาแห่งจิตในประวัติการสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและทุกสัตว์ก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาทุกสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดายกำลังเกิดมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจารณาในอุปาทขศนาแห่งอุ ป, ปติจิตของบุคคลผู้บัติอยู่ในสุทาวาสภูมิบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุซึ่งกำลังอุบัติ ในอุปาทขคณะแห่งจิตในประวัติการบุคคลผู้กำลังอุบัติในอาจาญย์ยศตพูมิทุกขัสัจของบุคคลล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่มรรคสัจไม่เคยเกิดบุคคลผู้ใดบรรลุซึ่งกำลังอุบัติในอุปาทขคณะแห่งจิตในประวัติการทุกขัสัจของบุคคลล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่มรรคสัจก็เคยเกิดปฏิโลมปุชชามรรคสัจของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิด ทุกขสัจของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจารนาะบุคคลผู้ได้บรรลุซึ่งกําลังจุติในพังข้าขณาแห่งจิตในประวัติการและในอุปาทขณาแห่งมรรคและผลในอรูปประภูมิมรรคสัจ ข, ของบุคคลนั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่ทุกขัสัจไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้ได้บรรลุซึ่งกําลังอุบัติในอุปาทขณาแห่งจิตในประวัติการ มัคคัศก์ของบุคคลนั้นในภู่มนั้นเคยเกิดและทุกข์สัต e วนน์ก็กำลังเกิด 62. อนุโลมปุจฉาสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดในปู่มใดกำลังเกิดมัคคัศก์ของบุคคลนั้นในปู่มนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุในอุปาทัศนาแห่งตันหาสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นในภู่มนั้นกำลังเกิดแต่มัคคัศก์ไม่เคยเกิดบุคคลผู้ได้บรรลุ ในอุปาทขศนาแห่งตันหาสมุทัยสัต์ของบุคคล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและมรรคสัจก็เคยเกิดปฏิโลมปุชชามรรคสัจของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสมุทยัยสั์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจติชนาในพังคัศนาแห่งตันหาของบุคคลผู้ได้บรรลุเมื่อจิตที่วิปยุตจากตันหาเป็นไปอยู่ มรรคสัจของบุคคลเหล่านั้นในปู่มนั้นเคยเกิดแต่สมุทัยสัตว์ไม่ใช่กําลังเกิดในอุปาทขศนาแห่งตัณหาของบุคคลผู้ได้บรบรลุมรรคสัจของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและสมุทัยสั์ก็กําลังเกิดปัจจนีกับบุคคล 6.3 อนุโลมปุจฉาทุ ก, ก, ก, กสัต์ของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดสมุทัยสั์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดก Poland, ใช่ไหมพิจารณาเคยเกิด ปฏิรมปุจฉาสมุทยัยตัดของบุคคลใดไม่เคยเกิดทุกขะตัดของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดมีไหมวิจัดชนาะไม่มีอนุโรมปุจฉาทุกขะตัดของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดมรขะตัดของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลผู้ใดบรรลุซึ่งกำลังจุติในพังคะขณะแห่งจิตในปวัติการและในอุปาทขณะแห่งมรและผลแนวรูปประภูมิ ทุกข no ัสสะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่มรรคสัตว์มิใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุซึ่งกําลังจุติในพังคัคณาแห่งจิตในประวัติการทุกขัสสะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและมรรคสัตว์ก็ไม่เคยเกิดปฏิโลมปุจฉามรรคสัตว์ของบุคคลใดไม่เคยเกิดทุกขัสสะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมพิจฉนา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 สมุทธ่ยศของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดมรรคสั์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมปิจิชนาในพังคาณาแห่งจิตตันหาของบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุเมื่อจิตที่วิปยุทธจากตันหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้เข้านิโรธัศมาบัตสมุดที่ยศของบุคคลหลนั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มตรรคสัจมีใช่ไม่เคยเกิด ในพังข้ณะแห่งตันหาของบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุเมื่อจิตที่วิปยุจจากตันหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้บัติอยู่ในอาจารยศัตตภูมิสมุทิยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมรรคสัจ ก, ก็ไม่เคยเกิดปฏิโดมปุจฉามรรคสัจของบุคคลใดไม่เคยเกิดสมุทิยสัต์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมพิจฉนาในอุปาทขณาแห่งตันหาของบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุ มรรคสัจของบุคคลล่านั้นไม่เคยเกิดแต่สมุทยัยสัจไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังฆาณาแห่งตันหาของบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุเมื่อจิตที่วิปยุจจากตันหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้บัตรอยู่ในอนสัญญาสัตตภูมิมรรคสัต์ของบุคคลล่านั้นไม่เคยเกิดและทุกสัต์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดปัจจณีก็โอกาสหกอนุโลมปุจฉาทุกสัต์ในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิด และปัจจณีกับปุกคโลกาต66อนุโลมปุจฉาทุกขจัตของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดจมุทะยจัตของบุคคลนั้นในปุินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลผู้กำลังจุดติจากจตโวโก ร, ระภูมิและปัญจโวกา ร, ระภูมิในพังฆาขนาแห่งจิตในประวัติการ และในอุปาทัศขณะแห่งมรรคและผลในอรูปประภูมิทุกขจัตของบุคคลเหล่านั้นในภูมิน oh. ั replies, ้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สมุทัยจัตไม่ใช่ไม่เคยเกิดในพังคัศขณะแห่งอุปติจิตของบุคคลผู้บัติอยู่ในสุทาวาตภูมิบุคคลผู้กำลังจุติจากขจัตยัตตภูมิทุกขจัตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสมุทัยจัตก็ไม่เคยเกิดปฏิรลมปุชชา สมุที่ยัดจัดของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดทุกข์จั์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทัณนาแห่งอุปติจิตของบุคคลผู้บัตรอยู่ในสุทาวาสภูมิบุคคลผู้กำลังอุบัติในอัศจรรย์จัดตะภูมิสมุที่ยัดจัของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่ทุกข์จั์มิใช่ไม่กำลังเกิดในพังขณาแห่งอุปติจิตของบุคคลผู้บัตรอยู่ในสุทาวาสภูมิ บุคคลผู้กำลังจุติจากสัญญาัตตภูมิสมุทย่ัตต์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและทุกขัสัตต์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาทุกขัสัตต์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดมรัสสัตต์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจติชนาบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุซึ่งกำลังจุติในพังข้าขณะแห่งกิตในประวัติการและในอุปาทขณะแห่งมรัสและผลในรู ป, ปรภูมิ ทุกขจัตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่มรรคจัตมิใช่ไม่เคยเกิดในพังขณะแห่งอุบัติจิตของบุคคลผู้บัติอยู่ในสุทาวาตภูมิบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุซึ่งกําลังจุติในพังขาคณะแห่งจิตในประวัติการบุคคลผู้กําลังจุติจากอาจารย์ัตตภูมิทุกขจัตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่มรรคจัตก็ไม่เคยเกิดปฏิโลมปุจฉา มรรคสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดทุกขัสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจารณ์ในอุปาทขคณาแห่งอุปาติจิตของบุคคลผู้บัติอยู่ในสุทาวาตภูมิบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุซึ่งกำลังอุบัติในอุปาทขคณาแห่งจิตในประวัติการบุคคลผู้กำลังอุบัติในอาจญรยัตตภูมิมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิด แต่ทุกขสัจมิใช่ไม่กำลังเกิดในพังคขณะแห่งอุปติจิตของบุคคลผู้บัติอยู่ในสุทาวาตภูมิบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุซึ่งกำลังจุติในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการบุคคลผู้กำลังจุติจากอจัญญจัตตภูมิมัมกขสัตจของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและทุกขสัจก็ไม่ใช่กำลังเกิด67อนุรมปุจฉา สมุธยสั์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดมรรคสั์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิสัชนาในพังข้าณาแห่งตันหาของบุคคลผู้ไดบรรลุเมื่อจิตที่วิปยุตจากตันหาเป็นไปอยู่สมุธยสั์ของบุคค ล, ลนั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มตรรคสัจมิใช่ไม่เคยเกิด เมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู no ้บัติอยู่ในสุทาวาตภูมิเป็นไปอยู่ในพังคะขณะแห่งตันหาของบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุเมื่อจิตที่วิปยุจจากตันหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิสมุทัยสัจกรรมุขคนเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมัคคสั์ก็ไม่เคยเกิดปฏิโลมปุชฌามัคคสั์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสมุทัยสัจของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหม วิจัชนาในอุปาทขณาแห่งตัณหาของบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุมกษัตริย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่สมุทยัยสัต์ไม่ใช่ไม่กำลังเกิดเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้บัตรอยู่ในสุทาวาทภูมิเป็นไปอยู่ในพังคคณาแห่งตัณหาของบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุ เมื่อจิตที่วิปบยุจจากตันหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้บัติอยู่ในสัญญาัตตภูมิมรรคจัตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและสมุทัยจัตก็ไม่ใช่กำเกิด 5. ปัจจุปั น, นาคตวาน 5. ปัจจุปันนานาคตวาลว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคล 6.8 อนุโลมปุจฉาทุกขจัตของบุคคลใดกําลังเกิดสมุทยัยสัจของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะในอุปาทะแห่งอรหัตตมรักในอุปาทคณาแห่งจิตของอรหันต์ตบุคคลบุคคลจกได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทขณะแห่งจิตนั้นทุกขจัตของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่สมุทยัยสัจไม่ใช่กำจะเกิด บุคคลนอกนี้ซึ่งกําลังอุบัติในอุปาทัศนาแห่งจิตในประวัติการทุกขจัตของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและสมุทยัยศาสตร์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาสมุทยัยศาสตร์ของบุคคลใดจะเกิดทุกขจัตของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจาชนาะบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติในพังขัณาแห่งจิตในประวัติการและในอุปาทัศนาแห่งมรรคและผลในรูปประภูมิ สมุทยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่ทุกขสัตย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติในอุปาทขคณะแห่งจิตในประวัติการสมุทยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและทุกขสัตย์ก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาทุกขสัตย์ของบุคคลใดกำลังเกิดมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะ ในอุปาทขศนาแห่งอรหัตตะมักในอุปาทขศนาแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลผู้เป็นปุถุชนที่จักไม่ได้มักซึ่งกําลังอุบัติและในอุปาทขศนาแห่งจิตในประวัติการทุกขจัตของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่มักจัตไม่ใช่จะเกิดบุคคลจักไม่ไดอรหัตตะมักในลําดับแห่งจิตใดในอุปาทขศนาแห่งจิตนั้นบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มักซึ่งกำลังอุบัติ ในอุปาทัศนาแหง่งจิตในประวัติการทุกขจัตของบุคคลเหลนั้นกําลังเกิดและมรรคจัต ก, ก็จะเกิดปฏิโรมปุจฉามรรคจัตของบุคคลใดจะเกิดทุกขจัตของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชณาบุคคลจะได้อรหัตมักในลําดับแหง่งจิตใดในพัง ข, ขั้นาแหง่งจิตนั้นบุคคลเราอื่นผููจักได้มักซึ่งกําลังจุติในพังขั้นนาแหง่งจิตในประวัติการ และในอุปาทขศนาแห่งมรรคและในผลแห่งอรูปประภูมิมรรคสัตว์ของบุคคลเรานั้นจะเกิดแต่ทุกขสัตย์ไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลจะได้อรหัตมรรคในลําดับแห่งจิตใดในอุปาทขศนาแห่งจิตนั้นและบุคคลเราอื่นผู้จะได้มรรคซึ่งกําลังอุบัติในอุปาทขศนาแห่งจิตในประวัติการมรรคสัตว์ของบุคคลเนั้นจะเกิดและทุกขสัตย์ก็กําลังเกิด69 อนุโลมปุจฉาสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดกําลังเกิดมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นในก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรรคในอุปาทขณาแห่งตันหาสมุทัยสัตว์ของบุคคลเลนั้นกําลังเกิดแต่มรรคสัตว์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้จักได้มรรคในอุปาทขณาแห่งตันหา สมุทัยสัตว์ของบุคคลเนั้นกําลังเกิดในมรรคสัตว์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉามรรคสัตว์ของบุคคลใดจะเกิดสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจาชนาะบุคคลจกได้อรหัตมรรคในลําดับแห่งจิตใดในอุปาทคณาแห่งจิตนั้นในพังค ข, ขณะแห่งตัณหาของบุคคลเหลนั้นจกได้มรรคเมื่อจิตที่วิปยุตจากตัณหาเป็นไปอยู่ บุคคลผู้ข้อนิโรธทศมาบัตดและบุคคลผู้บัดอยู่ในอสัญญาตตะพูมิมัคคัศก์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่สมุทยจัต์ไม่ใช่กําลังเกิดในอุปาทขณะแห่งตันหาของบุคคลผู้จักได้มัคคัศก์กของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและสมุทยจัต์ก็กําลังเกิดอนุโลมโอกาส70อนุโลมปุจฉาทุกขจัตในภูมิใดกําลังเกิดละ ในมุมเล็บคำที่ท่านกําหนดว่าในภูมิใดพึงทําให้เหมือนกับคําที่ท่านกําหนดว่าของบุคคลในภูมิใดอนุโลมปุกคโลกาศเจอนุโลมปุจฉาทุกกรัดของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดตมุทธิยตจัดของบุคลลบคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทัคณะแห่งอรหัน ต, ตมรักในอุปาทัคณะแห่งจิตของอรหันตบุคคล บุคคลจกได้อรรถธรรคะในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทขคณะแห่งจิตนั้นบุคคลผู้กําลังอุบัติในอาจารย์สัตตภูมิทุกขจัต์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่สมุทัยจัต์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้กําลังอุบัติในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิในอุปาทขคณะแห่งจิตในประวัติการทุกขจัต์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิด และสมุทรยาศาสตร์ก็จะเกิดปฏิโดมปุชชาสมุทรยาศาสตร์ของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดทุกขาศาสตร์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจชะนาบุคคลผู้กําลังจุติจากจตุโวกา ร, รภูมิและปัญจโวกา ร, รภูมิในพังคะขณะแห่งจิตในประวัติการและในอุปาทคณะแห่งมรรคและผลแนวรูปประภูมิ สมุธยสัตว์ของบุคคลเนั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่ทุกขสั์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังอุบัติในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิในอุปาทัคณาแห่งจิตในประวัติการสมุธยสัต์ของบุคคลเนั้นในภูมินั้นจะเกิดและทุกขสั์ก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาทุกขสั์ของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดมรครคสัจของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะ ในอุปาทขศนาแห่งอรหัตมรักในอุปาทขศนาแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลผู้บัตรอยู่ในอบายภูมิบุคคลผู้เป็นปุถุชนที่จักไม่ได้มรักซึ่งกําลังอุบัติในอุปาทขศนาแห่งจิตในประวัติการบุคคลผู้กําลังอุบัติในอาจารย์ัตตภูมิทุกขจัตริย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่มรรคจัตไม่ใช่จะเกิด บุคคลจากได้อาราตมักในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทขณะแห่งจิตนั้นบุคคลเหล่าอื่นผู้จากได้มักซึ่งกําลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการทุกขัสัจของบุคคลเหล่านั้นในปู่มนั้นกําลังเกิดและมัคคัจจ์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉามัคคัจจ์ของบุคคลใดในปูมิใดจะเกิดทุกขัสัจของบุคคลนั้นในปูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจชนะนา บุคคลจักได้อรหัตมักในลำดับแห่งจิตใดในพังคะขณะแห่งจิตนั้นบุคคลเราอื่นผู้จักได้มักตึ่นกำลังจุดติในพังฆขณะแห่งจิตในประวัติการและในอุปาทขณะแห่งมักและผลในรูปประภูมิมรรคสิต์ของบุคคลเรานั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่ทุขกขสัตว์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลจักได้อรหัตมักในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทัศขณะแห่งจิตนั้น บุคคลเหาอื่นผู้จักได้มักซึ่งกําลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการมักษัตริย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นจะเกิดและทุกษัตริย์ก็กําลังเกิด 7.2 อนุโลมปุจฉาสมุทยัยจัดของบุคคลใดในภูมิใมดกําลังเกิดมักษัตริย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะในอุปาทขศนาแห่งตันหาของบุคคลผู้บัตอยู่ในอบายภูมิ และบุคคลผู้เป็นปุถุชนตึงจักไม่ได้มักสมุทัยจัต์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่มัคคสัตว์ไม่ใช่จะเกิดในอุปาทขศนาแห่งตันหาของบุคคลผู้จักได้มักสมุทัยจัตต์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่มัคคสัตว์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉามัคคสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดสมุทัยจั์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิัชนา บุคคลจักได้อรหัตมักในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทขศนาแห่งจิตนั้นในพังคขณะแห่งตันหาของบุคคลผู้จักได้มักเมื่อจิตที่วิปยุจจากตันหาเป็นไปอยู่มักษัตริย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่ตมุทยิัตตัดไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขศนาแห่งตันหาของเหล่าบุคคลผู้จักได้มักมักษัตริย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและตมุทยิัะตัดก็กำลังเกิด ปัจจีนิกับบุคคล73อนุโลมปุจฉาทุกขจัตของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดสมุทัยจัตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิสัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติในพังคขคณาแห่งจิตในประวัติการและในอุปาทาขคณาแห่งมรรคและผลในอรูปปภูมิทุกขจัตของบุคคลนั้นไม่ใช่กําลังเกิด แต่สมุทยจัตดไม่ใช่จักไม่เกิดในพังคขนาแห่งอรหัตตะมักในพังคขนาแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลจากได้อรหัตตะมักในลำดับแห่งจิตใดในพังคขนาแห่งจิตนั้นและในอุปาทฆนาแห่งอรหัตตะมักและอรหัตผลในรูปประภูมิทุกกระจัดของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและสมุทยจัดก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิโดมปุจฉา สมุธยสัตว์ของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดทุกขสัตย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะในอุปาทขศนาแห่งอรหันตมรรคในอุปาทัศนาแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลจากได้อรหันตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทขศนาแห่งจิตนั้นสมุทธยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ทุกขสัตย์ไม่ใช่ไม่กำลังเกิด ในพังขคณะแห่งอรหัตตมรักในพังข้าณาแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลจักไดอรหัตตมรักในลำดับแห่งจิตใดในพังคข้าคณาแห่งจิตนั้นและในอุปาทขณาแห่งอรหัตตมรักและอรหัตผลในรูปประภูมิสมุดทยศัตร์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและทุกข์สัตว์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาทุกข์สัตว์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหม วิจัดชนาะบุคคลจักไดอารธรรมะในลำดับแห่งจิตใดในพังค ข, ขนาแห่งจิตนั้นบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มักซึงกาลังจุติในพังฆ ข, ขนาแห่งจิตในประวัติการและในอุปาทขณะแห่งมักและผลในอรูปประภูมิทุกขัสัจของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่มัคสัจมิใช่จักไม่เกิดในพังคขณะแห่งอรหัตมรรมในพังคขณะแห่งจิตของอรหันตบุคคล บุคคลผู้เป็นบุตุชนที่จักไม่ได้มรรคซึ่งกำลังจุติในพังข้าขณาแห่งจิตในประวัติการและในอุปาทขณะแห่งอราตมักและอารัตผลในอรูปประภูมิทุกขัสัจของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมรรคสัจก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจฉามรรคสัจของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดทุกขัสั์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิตัชฌนาะ ในอุปาทขศนาแห่งอรหัตตะมักในอุปาทขศนาแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลผู้เป็นบุตุชนที่จักไม่ได้มักซึ่งกำลังอุบัติในอุปาทขศนาแห่งจิตในประวัติการมักกษัตริย์ของบุคคลเนั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ทุกข์ัติย์มิใช่ไม่กำลังเกิดในพังขนขณะแห่งอรหัตตะมักในพังขนขณะแห่งจิตของอรหันตบุคคลในพังขนขณะแห่งจิตในประวัติการ และในอุปาทัคณาแห่งอรหัตมรักและอรหัตผลในรูปประภูมิมรรคสัจของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและทุกขสั์ก็ไม่ใช่กำลังเกิด 74. อนุโลมปุจฉาสมุทัยสัต์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดมรรคสัจของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลจะได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใ ด, ดในอุปาทัคณาแห่งจิตนั้น ในพังข้าคณาแห่งตันหาของบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มักเมื่อจิตที่วิปยุจจากตันหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้เข้านิโรธาสมาบัตและบุคคลผู้บัตอยู่ในอสัญญาตต ภ, ภูมิสมุทัยจัต์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มกษัตรมิใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพลงด้วยอรหัตตะมักอรหันตบุคคลในพังขณะแห่งตันหาของบุคคลผู้เป็นปุตุชนตั้งจักไม่ได้มัก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 มรรคสัตวของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ตมุทยะสัตว์มิใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอราตมักอรหันตบุคคลในพังฆาขนาดแห่งตันหาของบุคคลผู้เป็นปุถุชนตึงจกไม่ได้มักเมื่อจิตที่วิปยุจจากตันหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้เข้านิโรธาสมาบัตและบุคคลผู้บัตอยู่ในอาจารย์ัตตภูมิมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและทุคสัตว์ก็ไม่ใช่กำลังเกิด ปัจจณิกะโอกาส 7. จอนุโลมปุจฉาทุกขจัตในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดละปัจจณิกะปุคขโลกาศเจสิบอนุโลมปุจฉาทุกขจัตของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดตมุทธิยะจัตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิตชนะัชชาบุคคลผู้กำลังจุติจากจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิ ในพังคาขณะแห่งจิตในประวัติการและในอุปาทขนาแห่งมรรคและผลแนวรูปประภูมิทุกขจัตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่จมุทยิจัต์มิใช่จักไม่เกิดในพังคาขนาแห่งอรหัตมรรคและในพังคขนาแห่งจิตของอรหันตับุคคลบุคคลจากไดอรหัตมรรคในลําดับแห่งจิตใดในพังคาขนาแห่งจิตนั้นและในอุปาทขนาแห่งอรหัตมรรคและอรหัตผลใน อรูปภูมิบุคคลผู้กำลังจุติจากสัญญาสัตตภูมิทุกขัสสะของบุคคลเหล่านั้นในปุ მ น, นั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสมุทัยสัตต์ก็มไม่ใช่จะเกิดปฏิโรมปุชชาสมุทัยสัตต์ของบุคคลใดในปมิใดไม่ใช่จะเกิดทุกขัสส์ของบุคคลนั้นในปมิ น, นั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขคณะแห่งอรหัตตะมักในอุปาทัคณะแห่งจิตของอรหันตบุคคล บุคคลจากไดอรหัตธรรคในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทขคณาแห่งจิตนั้นบุคคลผู้กําลังอุบัติในอาจาญย์ยตตภูมิสมุทัยศัตร์ของบุคคลเนั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ทุกศาสตร์มิใช่ไม่กําลังเกิดในพังคขัณาแห่งอรหัตมรรคและในพังคขัณาแห่งจิตของอรหันตะบุคคลบุคคลจากไดอรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในพังขัคณาแห่งจิตนั้นและในอุปาทขคณาแห่งอารหัตมรรคและอารหันตะผล ในรู ป, ปรภูมิบุคคลผู้กำลังจุติจารกัจจันยาตาตะูมิสมุทรยาตัดของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและทุกขศัตย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาทุกขศัตย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดมรรคศัตย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุบคคลจักไดอารธรรมะในลำดับแห่งจิตใดในพังข้าณะแห่งจิตนั้นบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มรรคซึ่งกำลังจุติ ในพังค้ขาขณาแห่งจิตในประวัติการและในอุปาทขณาแห่งมรรคและในผลในอรู ป, ประภูมิทุกขัสส์ของบุคคลเหล่านั้นในภูนั้นไม่ใช่กำเนังเกิดแต่มรรคสัตว์ม่ใช่จักไม่เกิดในพังข้าขณาแห่งอรหันตมรรคและในพังคขณะแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอบายภูมิและบุคคลผู้เป็นปุตตชนผู้จักไม่ได้มรรคซึ่งกำลนังจุติ ในพังข้ณะแห่งจิตในประวัติการและในอุปาทขณาแหง่งอรรถมรรคและอรัตผลในรูปปภูมิบุคคลผู้กำลังจุติจากสัญญาตตะภูมิทุกขัสัจของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมัคสั์ก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจฉามัคสั์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดทุกขัสั์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะ ในอุปาทขคณะแห่แหงองรหันตมรรคและในอุปาทขคณะแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลผู้บัติอยู่ในบายภูมิและบุคคลผู้เป็นปุถุชนที่จักไม่ได้มรรคซึ่งกําลังอุบัติในอุปาทขคณะแห่งจิตในปวัตติการบุคคลผู้กําลังบัติในสัญญาตตภูมิมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ทุกสัตย์ไม่ใช่ไม่กําลังเกิดในพังคขัคณะแห่งอรหันตมรรค และในพังข้าขณะแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลผู้บัดอยู่ในอบายภูมิและบุคคลผู้เป็นบุตุชนที่จักไม่ได้มักตึงกำลังจุติในพังข้ขณะแห่งจิตในประวัติการในอุปาทขณาแห่งอรหันต์มักและอรหันตผลในรู ป, ปรภูมิบุคคลผู้กำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิมักกษัตริย์กับบุคคลนั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและทุกษัตริย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดเจ อนุโลมปุจฉาสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดในปุมิใดไม่ใช่กําลังเกิดมัคตั์ของบุคคลนั้นในปุ่มนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลจักได้รัตมักในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทขคณาแห่งจิตนั้นในพังขา้าคณาแห่งตันหาของบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มักเมื่อจิตที่วิปยุตจากตันหาเป็นไปอยู่สมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในปุ่มนั้นไม่ใช่กําลังเกิด แต่มรรคสัตว์มิใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพลงด้วยรหัตมรักรหัตผลในพ well. um. ังฆาณาแห่งตันหาของบุคคลผู้เป็นปุ้ดุจชนตั้งจักไม่ได้มรักเมื่อจิตที่วิปยุจจากตันหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้บัดอยู่ในอสัญญาตตภูมิสมุทรทีตญาติของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมรรคสัตว์ก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิโรมปุชฌามรรคสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิด ตมุททยัตัของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะในอุปาทขศนาแห่งตันหาของบุคคลผู้บัดอยู่ในยาบายภูมิและบุคคลผู้เป็นปุถุชนทึ้งจักไม่ได้มักมักขัดของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดแต่ตมุทยาตัดมิใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรัตมักและอระหันตบุคคลในพังขัคคณะ แห่งตันหาของบุคคลผู้เป็นบุตรชนซึ่งจักไม่ได้มักเมื่อจิตที่วิปยุจจากตันหาเป็นไปอยู่และบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญาสัตต ภ, ภูมิมรรคสัตต์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและสมุทัยสัตว์ก็ไม่ใช่กําลังเกิด 6. อตีตานาคตาวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีตและที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคล78อนุโลมปุจฉา ทุกขจัตของบุคคลใดเคยเกิดสมุทัยจัตของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจารนาบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตมรักและอรหัตผลบุคคลจกได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นทุกขจัตของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่สมุทัยจัตไม่ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ทุกขจัตของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและสมุทัยจัตก็จะเกิดปฏิโรมปุจฉา สมุทัยสัตว์ของบุคคลใดจะเกิดทุกข์สัตย์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาทุกข์สัตว์ของบุคคลใดเคยเกิดมรรคสัตย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยรหัตมรรคกระหันตาบุคคลและบุคคลผู้เป็นปุถุชนตึ่งจักไม่ได้มรรคทุกข์สัตย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่มรรคสัตย์ไม่ใช่จะเกิด บุคคลจักได้รัตมักในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทขณาแห่งจิตนั้นและบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มักทุกขจัตของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดได้มักจัตก็จะเกิดปฏิโลมปุชชามักษัตริย์ของบุคคลใดจะเกิดละวิจัชนาใช่ 79. อนุโลมปุชชาตมุทยจัตของบุคคลใดเคยเกิดมักษัตริย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนา บุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยรหัตมรคกระหันต่บุคคลและบุคคลผู้เป็นปุถุชนทั้งจากไม่ได้มรคสมุทัยสัต์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่มรคสัจไม่ใช่จะเกิดบุคคลจากได้อรหัตมรคในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นและบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มรคสมุทัยสัจของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและมรคสัต์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉามรคสัจของบุคคลใดจะเกิดละวิจชนาใช่ อนุโลมโอกาส80อนุโลมปุจฉาทุกขจัตในภูมิใดเคยเกิดละอนุโลมปุกคโอกาตแปสิบอนุโลมปุจฉาทุกขจัตของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดแตมุทยจัตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยรหัตมรักษ์อรหันตบุคคล บุคคลจะได้อรหัตมักในลำดับแพ่งจิตใดในลำดับเพ่งจิตนั้นบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาัตต ภ, ภูมิทุกขัสัจของบุคคลเหล่านั้นใน ภ, ภ, ภ, ภูมินั้นเคยเกิดแต่สมุทยสัตว์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัติอยู่ในจตุวกา ร, รภูมิและปัญจโวกา ร, รภูมิทุกขัสัจของบุคคลเหล่านั้นใน ภ, ภูมินั้นเคยเกิดและสมุทัยสัตว์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉา สมุธยจั์ของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดทุกขจัดของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลผู้บัตรอยู่ในสุทาวาตภูมิสมุธยจั์ของบุคล ค, เคลคเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่ทุกขจัดไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัติอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิสมุทธยจั์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและทุกขจัดก็เคยเกิด อนุรมปุจฉาทุกขตั์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดมรรคตั์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตะมักอรหันตะบุคคลบุคคลผู้เป็นปุตุชนทึ่งจักไม่ได้มักบุคคลผู้บัดอยู่ในบายภูมิและสัญญาตตะภูมิทุกขตั์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่มตรรคตั์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลจักได้อรหัตตะมักในลำดับแพ่งจิตใด ในอุปาทัณะแห่งกิจนั้นและบุคคลเหล่าอื่นผู้จจกได้มักทุกขสัจของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและมรรคสัจก็จะเกิดปฏิโลมปุจชามรรคสัจของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดทุกขสั์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กําลังอุบัติในตุทาวาตภูมิมรรคสัจของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่ทุกขสั์ไม่เคยเกิดบุคคลจจกได้ อรหัตตะมักในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทคณาแห่งจิตนั้นและบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มักมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและทุกขสัตว์ก็เคยเกิด 8.2 อนุโลมปุจฉาสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตตะมักอรหันตะบุคคลบุคคลผู้เป็นปุตตชนทึ่งจักไม่ได้มัก และบุคคลผู้บัติอยู่ในปลายภูมิสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่มกษัตริไม่ใช่จะเกิดบุคคลจักไดอราตมักในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทคณะแห่งจิตนั้นและบุคคลเราอื่นผู้จักได้มักสมุทัยสั์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและมกษัตริก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉามกษัตริของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหม วิจัดชนาะเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้บัดอยู่ในสุทาวาตภูมิเป็นไปอยู่มรรคตั์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่สมุทัยสัตว์ไม่เคยเกิดบุคคลจกได้อรัตมรรคในลำดับแห่งจิตใจในอุปาทัคณะแห่งจิตนั้นบุคคลเราอื่นผู้จะได้มรรคมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและสมุทัยสัตว์ก็เคยเกิดปัจจนีกับบุคคล แ3อนุโลมปุจฉาทุกขจัตของบุคคลใดไม่เคยเกิดสมุทัยตัตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดมีไหมวิทัดชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาสมุทัยจัตของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดทุกขจัตของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาเคยเกิดอนุโลมปุจฉา ทุกขัสัของบุคคลใดไม่เคยเกิดมรรคัสัตถ์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโดมปุจฉามรรคัสัตถ์ของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดทุกขัสัตถ์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเคยเกิด8ปดอนุโลมปุจฉาสมุทัยสัตถ์ของบุคคลใดไม่เคยเกิดมรรคัสัตถ์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มี ปฏิโลมปุชชามักขั์ของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดสมุทยัยจั์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเคยเกิดปัจจณีกับโอกาส85อนุโลมปุชชาทุกขจัต์ในภูมิใดไม่เคยเกิดละปัจจณีกับปุขคโลกาต์สิบอนุโลมปุชชา ทุกขจัตของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสมุธยจัตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิตัชชาจะเกิดปฏิโลมปุจฉาสมุธยจัตของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดทุกขจัตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิตัชชาเคยเกิดอนุโลมปุตชา ทุกขัสัตของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดมรรคสัตของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไห ม, มวิทัดชนจาจะเกิดปฏิโดมปุจฉามรรคสัตของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดทุกษัตริย์ของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิทัดชนาเคยเกิด 87. อนุโลมปุจฉา สมุทธยจัตต์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดมรรคจัตต์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้บัตยอยู่ในสุทาวาสภูมิเป็นไปอยู่สมุธยจัตต์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่มรรคจัตต์มิใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้บัตยอยู่ในอสัญญาัตตภูมิสมุธยจัตต์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและมรรคจัตต์ก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิโรมปุชชา มรรคสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดแตมุทยสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตตะมักอรหันตะบุคคลบุคคลผู้เป็นปุถุชนตึ้นจักไม่ได้มักและบุคคลผู้บัดอยู่ในอบายภูมิมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ตมุทยสัตว์ไม่ใช่ไม่เคยเกิด บุคคลผู้บัตอยู่ในอาจารยศัตตภูมิมัคจัดของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและสมุทยัยสัจก็ไม่เคยเกิดอุ ป, ปาทวานจบ